ตอนนี้มีเรื่องที่กวนกล่าวแทรกไว้เพื่อช่วยป้องกันความสับสนในการศึกษาต่อๆไปคือเรื่องสำนวนภาษาเกี่ยวกับการกล่าวโดยปริยายและโดยนิปริยายโดยปริยายหมายถึงโดยอ้อมหรือตามความหมายบางแง่บางด้านหรือแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือความหมายอย่างห ล, มลวมๆโดยนิปริยายหมายถึงโดยตรงหรือโดยสิ้นเชิง คือความหมายจำเพาะหรือเต็มตามความหมายบริบูรณ์ตัวอย่างที่เด่นชัดในเรื่องนี้คือพระอรหันต์ซึ่งมีอยู่เพียงสองประเภทดังที่กล่าวแล้วคือพระปัญญาวิมุตต์กับพระอุปโตภาคาวิมุตต์พระอุปโตภาคาวิมุตต์แปลว่าผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนเป็นผู้ได้วิโมกคือได้ฌานสมาบัติถึงขั้นอรูปฌานด้วยและบรรลุอรหัตผลด้วยส่วนพระปัญญาวิมุตต ได้แต่อรหัผลอย่างเดียวแม้จะได้ฌานก็ได้เพียงรูปฌานที่สี่ลงมาพระอรหันต์มีประเภทใหญ่เพียงสองเท่านี้แต่บางคราวนักศึกษาไปพบคำว่าพระอรหันต์เจโตวิมุตติจึงอาจงงหรือเกิดความสงสัยขึ้นมาในกรณีเช่นนี้พึงทราบว่าพระเจโตวิมุตติก็คือพระอุปโตภาาวิมุตตินั่นเอง แต่เป็นการเรียกโดยปริยายด้วยต้องการเน้นวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในระหว่างก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลคือได้ปฏิบัติหนักทางสมถะมาก่อนมิได้หมายความว่าท่านบรรลุอรหัตผลด้วยเจโตวิมุตต์อย่างเดียวยิ่งกว่านั้นในบางแห่งแม้แต่ผู้ที่ได้บำเพ็ญทั้งสมถะและวิปัสสนามาโดยตลอดด้วยกันท่านแยกเรียกเป็นพระเจโตวิมุตตบ้างพระปัญญาวิมุตตบ้าง เพียงเพราะความต่างแห่งอินทรีย์คือมีสมาธินิสี่แรงหรือมีปัญญนิสีแรงเท่านั้นก็มีดังที่พระอัฏฐกถ า, าจารย์ยกตัวอย่างไว้ท่านเรียกภาษารีบุตรว่าเป็นพระปัญญาวิมุตติพระมหาโมคลานะว่าเป็นพระเจโตวิมุตติบางแห่งใช้คําว่าเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติคู่กันหมายถึงพระอรหันต์ผู้หนึ่งผู้เดียว คือผู้ได้เจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามปกติก็มีหรืออย่างในคัมภีร์ปฏิสัมพิทามักใครเป็นพระสัทธาวิมุตต์พระทิฏฐิ ป, ปั ต, ตะและพระกายสักขีท่านก็เรียกอย่างนั้นไปตลอดจนเป็นพระอาหารหันต์ถ้าไม่ก่อใจเรื่องการเรียกโดยปริยายเพื่อแ น, น่งแง่ความหมายที่ต้องการบางอย่างก็จะสับสนกลายเป็นมีพระอาหารหันต์อีกมากมายหลายประเภท แม้ในการอ่านความหมายของข้อธรรมต่างๆก็เหมือนกันเช่นที่ท่านกล่าวว่าสัมมาสติได้แก่สติปัฐานสีตามปากตินักศึกษาย่อมมองสติปฐานว่าเป็นหลักหรือวิธีปฏิบัติธรรมที่มีทั้งให้เป็นอาตาปีมีความเพียรมีทั้งให้เป็นสัมปชาญโนมีสัมปชัญญะเป็นต้นคือเป็นกระบวนการปฏิบัติที่มีองค์ถามทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวบางคนจึงสงสัยว่า สัมมาสติจะเป็นสติปฐานได้อย่างไรหรือว่าสติปัฐานจะเป็นเพียงสัมมาสติได้อย่างไรในกรณีนี้จะต้องมองความหมายเสมือนพูดว่าสัมมาสติได้แก่สติอย่างที่ใช้ในสติปัฐานหรือสติอย่างที่ใช้ตามวิธีการปฏิบัติของสติปัฐานอีกตัวอย่างหนึ่งคือสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิหรือการบำเพ็ญสมาธิ ท่านแสดงไว้ว่ามีสี่อย่างเช่นข้อที่สว่าสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนักศึกษาบางคนจึงงงและสงสัยว่าสมาธิก็คือองค์ทำแกนของสมถะหรือตัวสมถะนั่นเองสมาธิหรือสมถะอย่างเดียวไม่มีวิปัสสนาจะนำไปสู่ความสิ้นอาสวะได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ ในกรณีนี้จะต้องเข้าใจว่าท่านกล่าวถึงสมาธิโดยฐานเป็นจุดรวมหรือเป็นเวทีของการปฏิบัติธรรมเป็นประดุษสนามที่องค์ธรรมต่างๆมาจุนุมกันทำงานหรือสู้รบกับข้าศึกคือกิเลสไม่ใช่หมายความว่าฝึกหรือเจริญสมาธิขึ้นมาอย่างเดียวถ้าจะพูดให้เข้าใจกันอย่างง่ายสมาธิภาวนาในกรณีนี้ก็คือการฝึกฝนปฏิบัติธรรมที่ใช้สมาธิ หรือการฝึกเอาสมาธิมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมวิธีต่างๆพระธรรมทินนาเถรีแสดงความหมายของสมาธิภาวนาว่าเป็นการบําเพ็ญทั้งตัวสมาธิและทำทั้งหลายที่เป็นนิมิตคือสิ่งที่กําหนดและที่เป็นบริขารคือเครื่องประกอบหรือเครื่องอุดหนุนของสมาธิ